คุณค่าที่สองคุณค่าด้านการทากิจหรือคุณค่าเพื่อความไม่ประมาทในด้านการทากิจหรือปฏิบัติหน้าที่การงานหรือทำสิ่งที่ควรทำนั้นเป็นธรรมดาที่ว่าอุทุชนทั้งหลายมักมีความโน้มเอียงดังต่อไปนี้ประการหนึ่งเมื่อถูกทุกบีบคั้นเข้าแล้วมีภัยมาถึงตัว เกิดความจำเป็นขึ้นเฉพาะหน้าจึงหันมาเอาใจใส่ปัญหาหรือกิจที่จะต้องทำแล้วดิ้นรนหรือบางทีถึงกับตะลีตรลานที่จะพยายามแก้ไขปัญหาหรือทำการนั้นๆซึ่งบางราวก็แก้ไขหรือทำได้สำเร็จแต่บางทีก็ไม่ทันการต้องประสบความสูญเสียหรือถึงกับพินาศย่อยยับแม้ถึงจะแก้ไขหรือทาได้เสร็จก็ต้องเดือดร้อนกระวนกระวายมาก และยากที่จะสำเร็จอย่างเรียบร้อยด้วยดีอาจเป็นอย่างที่เรียกว่าสำเร็จอย่างยับเยินอีกประการหนึ่งยามปกติอยู่สบายหรือแก้ไขปัญหาลู่ลวงไปได้ทำกิจเฉพาะหน้าเสร็จไปทีหนึ่งแล้วก็นอนกายนอนใจเฝ้าสแสวงหาแสเสพแต่ความสุขสำราญ หลงไหลมัวเมาในความปรนเปร่บำรุงบำเรอหรือไม่ก็เพลิดเพลินติดในความปกติสุขอยู่สบายเปชั่ววันๆไม่คิดคำหนึ่งที่จะป้องกันความเสื่อมและภัยที่อาจมาถึงในวันข้างหน้ามีกิจที่ควรทำถ้ายังไม่จวนตัวก็ผัดเพี้ยนรอเวลาไว้ก่อนพอทุกบีบคั้นภัยถึงตัวจำเป็นเข้าก็ตรีตรานแก้ไข พอผ่านพ้นไปได้ก็ลงนอนเสบสุขต่อไปอีกปฏิบัติวนเวียนอยู่ในวงจรเช่นนี้จนกว่าจะถึงวันหนึ่งที่ไม่อาจแก้ไขได้ทันการหรือแก้ไขสาเร็จอย่างยับเยินเกินกว่าจะดำรงอยู่ต่อไปได้ก็เป็นอันจบสิน้นสภาพความเป็นอยู่หรือการดำเนินชีวิตอย่างที่กล่าวมานี้เรียกว่าความประมาทซึ่งแปล ง, ง่ายๆว่า ความละเลยหลงเพลินปล่อยตัวทอดทิ้งกิจไม่ใส่ใจไม่เห็นสำคัญไม่กระตือรือร้อนขนขวายผัดเพี้ยนเรื่อยเปือเ่อยเฉยชามักพ่วงมาด้วยความเหียยกร้านขาดความเพียรพยายามความเป็นอยู่หรือการดำเนินชีวิตที่ตรงข้ามกับที่กล่าวมานั้นเรียกว่าความไม่ประมาทหรืออปปมาทา แปลง่ายๆว่าการอยู่ไม่ขาดสติหรือการกระทาจริงจังต่อเนื่องไม่ทอดทิ้งหมายถึงความเป็นอยู่ยังภาคเพียรโดยมีสติเป็นเครื่องเร้าเตือนและควบคุมคือสำนึกอยู่เสมอถึงสิ่งที่จะต้องเว้นและสิ่งที่จะต้องทำใส่ใจเว้นการอันพึงเว้นและทำการอันพึงทำให้สำเร็จมองเห็นความสำคัญของการเวลา กิจกรรมและเรื่องราวทุกอย่างแม้ที่เล็กน้อยไม่ยอมถลําพลาดไปในทางเสื่อมเสียและไม่ทอดทิ้งโอกาสสำหรับความดีงามความเจริญเร่งรุดก้าวหน้าไปในทางที่ดำเนินสู่จุดหมายหรือในทางแห่งความดีงามไม่หยุดยัง้งและคิดเตรียมการโดยรอบค้อบกล่าวได้ว่า ลักษณะสำคัญของอัปปมาทะคือความไม่ประมาทนี้มีสมอย่างคือหนึ่งเห็นคุณค่าและความสำคัญของเวลาที่ผ่านไปทุกๆขณะไม่ปล่อยกาละและโอกาสให้ผ่านไปเสียเปล่าใช้เวลาอย่างมีคุณค่าให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มควร ลักษณะของความไม่ประมาทข้อที่สองไม่มัวเมาไม่หลงลเร่ริงไม่ละเลงเหลิงลไปและไม่เลื่อนลอยประมัดระวังควบคุมตนอยู่เสมอที่จะไม่ให้เผลอพลาดลงไปในทางผิดไม่ปล่อยตัวให้ถลำลงไปในทางที่เสื่อมเสียหรือที่จะทำกรรมชั่วลักษณะของความไม่ประมาท ข้อที่3เร่งสร้างสรรค์ความดีงามและประโยชน์สุขประตืหรือร้อนขวนขวายในการทำกิจหน้าที่ไม่ละเลยแต่ขมักขเม้นในการพัฒนาจิตปัญญาและทำการอย่างรอบคอบข้อนี้เรียกว่าความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายความรู้ในไตรลักษ์ เป็นตัวเร่งโดยตรงสำหรับความไม่ประมาทเพราะเมื่อรู้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่คงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่คงตัวจะต้องแตกสลายกลับกลายไปไม่รอเวลาและไม่ฟังใครเป็นไปนตามเหตุปัจจัยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จำเป็นอยู่เองว่าวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องย่อมมีอยู่อย่างเดียวคือพึงเร่งรัดทาการตามเหตุปัจจัย หมายความว่าจะต้องเร่งขวนขวายป้องกันความเสื่อมที่ยังไม่เกิดขึ้นแก้ไขปัญหาหรือความเสียหายผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วรักษาสิ่งดีที่มีให้คงอยู่และทำสิ่งที่ดีเพื่อให้เจริญงอกงามต่อไปทั้งนี้ด้วยการศึกษาเหตุปัจจัยและทำการตรงตัวเหตุปัจจัยนั้นเช่นรู้อยู่ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง จะเสื่อมสิ้นสุนสลายไปตามเหตุปัจจัยเมื่อเราต้องการความดีงามความเจริญเราก็ต้องเพียรพยายามทำกรรมทั้งหลายอันจะเป็นเหตุให้สิ่งดีงามนั้นเกิดมีขึ้นเจริญงอกงามดำรงอยู่ได้นานที่สุดและบังเกิดประโยชน์แก่คนมากที่สุดโดยในยานนี้จึงเรียกว่าคุณค่าด้านการทากิจหรือคุณค่าเพื่อความไม่ประมาท เมื่อพิจารณาให้ละเอียดจะเห็นได้ว่าตัวแกนหรือฐานแท้จริงคือตัวบีบหรือแรงดันที่ทําให้เกิดความเร่งในการทํากิจนั้นก็คือทุกข์แต่ความสัมพันธ์ของคนกับความทุกข์จะเป็นเงื่อนไขที่ทําให้ท่าทีต่อ ก, การทํากิจแตกต่างกันออกไปเป็นความประมาทและความไม่ประมาทที่มีคุณภาพอันแปกกัน การแยกแยะในเรื่องนี้จะช่วยให้มองเห็นลักษณะและคุณค่าของความไม่ประมาทที่ถูกต้องอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นจึงขอนำมากล่าวณที่นี้ด้วยทุกเป็นฐานให้เกิดแรงเร่งในการทำกิจ3แบบคือ 1. ทําทำการเพราะถูกทุกบีบ ได้แก่พวกที่หลงไหลเพลิดเพลินอยู่ในความสุขสบายปล่อยปลาละเลยกิจเพลิดเพลินมัวเมาไม่คิดถึงความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยรอจนกระทั่งภัยมาถึงตัวเกิดความเดือดร้อนและจําเป็นขึ้นแล้วจึงรีบทำการรีบแก้ไขหรือปรับปรุงเฉพาะหน้าซึ่งทันการบ้างไม่ทันการบ้างอย่างที่กล่าวแล้วข้างตน้น สองทการเพราะกลัวความทุกข์ได้แก่พวกที่หวาดระแวงวันต่อภัยอันตรายความทุกข์ความเดือดร้อนที่ยังไม่มาถึงจึงเร่งรีบแก้ไขปรับปรุงและทําการต่างๆที่เห็นว่าควรทําเพื่อป้องกันภัยหรือความทุกข์คือความเสื่อมความพินาศเป็นต้นและสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้ามัน่นคง ซึ่งการที่ทำก็มาสาเร็จได้ผลดีแต่เป็นไปด้วยจิตใจที่มีความเร่าร้อนกระวนกระวายพูดง่ายๆว่ากลัวความทุกข์แล้วก็ทุกข์เพราะความกลัวและทำเพราะถูกความกลัวบีบอีกต่อหนึ่ง 3. ทํทำการด้วยความรู้ทุกได้แก่พวกที่คิดจัดการกับทุกข์ ที่อาจเกิดมีข้างหน้าด้วยปัญญามิใจหวาดภาวาด้วยความวันกลัวกล่าวคือรู้เท่าทันสภาวะที่จะต้องเป็นไปตามไตรลักษณ์เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงและความทุกข์หรือปัญหาที่อาจเกิดมีในภายหน้าจึงใช้ปัญญาศึกษาพิจารณาเหตุปัจจัยในกระบวนการแห่งความเปลี่ยนแปลงเราอาศัยความรู้ในวิถีแห่งอนิจจตา และโอกาสที่อำนวยโดยอนัตตากำหนดเอาทางเลือกแห่งความเปลี่ยนแปลงที่พึงปรารถนาหรือที่ดีกว่าพร้อมทั้งใช้ความรู้ในประสบการณ์ส่วนอดีตเป็นบทเรียนแล้วเร่งรัดปรับป ร, ปรุงแก้ไขและทำการต่างๆเพื่อตัดทางมิให้ทุกขเข้ามาครอบงำตนหรือบรรเทาเสียตลอดจนเบนให้เป็นไปในทางที่ดีงามเจริญก้าวหน้าเท่าที่เป็นไปได้ ทำให้สามารถป้องกันทุกข์หรือทำตนให้ปลอดทุกข้างหน้าเท่าที่อยู่ในวิสัยด้วยและทั้งปลอดโปร่งผ่องใสไม่มีทุกขไม่หวาดหวั่นระวนกระวายในขณะกำลังทาการด้วยแบบที่หนึ่งก็คือความเป็นอยู่ด้วยความประมาทอย่างที่กล่าวแล้วข้างตน้นแบบที่สองและแบบที่สามคือความเป็นอยู่ โดยไม่ประมาทหรือเป็นอยู่ด้วยอัปปมาทะแต่ความไม่ประมาทในแบบที่สองเป็นอัปปมาธะที่อาศัยกิเลสจึงเจือปนด้วยความทุกข์ส่วนความไม่ประมาทในแบบที่สเป็นอัปปมาทะที่เกิดพร้อมด้วยปัญญาจึงปราศจากปมปัญหาไม่มีความทุกข์ในจิตใจเป็นความไม่ประมาทที่ถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งพระอาหารหันต์เท่านั้นจะบำเพ็ญได้อย่างเต็มความหมายส่วนปุถุชนจะบำเพ็ญความไม่ประมาทได้ดีแค่ไหนก็สุดแต่ว่าจะใช้ปัญญาตามแบบที่สามได้มากและถูกบีบคั้นด้วยความกลัวและความเร่าร้อนกระวนกระวายตามแบบที่สองน้อยลงเพียงใด ดังได้ยกหลักฐานมาให้ดูแล้วในตอนท้ายคำอธิบายของคุณค่าข้อที่หนึ่งว่าไม่เฉพาะแต่ปุถุชนเท่านั้นแม้ถึงพระอริยบุคคลชั้นต้ น, ตนก็ยังอาจเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทได้เหตุที่ทำให้ประมาทก็คือความพอใจอิ่มหรือสันโดษด้วยคุณวิเศษบางอย่างบางขั้นที่ตนได้บรรลุแล้วซึ่งเป็นความติดเพลินในความสุขสบาย และความปล่อยปละละเลยทอดทิ้งกิจอย่างหนึ่งทั้งนี้กินความรวมถึงการที่มองเห็นไตรลักษณ์รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงเป็นต้นแล้วลงใจได้ต่อสังขารทั้งหลายหายเศร้าโศกไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนขับแค้นใจเพราะความสูญเสียเสื่อมสลายพลัดพรากเป็นต้นเมื่อสุขสบายภายในหรือปรับภายในได้แล้วก็เลยหยุดนิ่งไม่สนใจไม่ขวนขวาย ไม่เพียนพยายามแก้ไขปัญหาที่ค้างคาอยู่ภายนอกไม่ทํากิจที่ควรทําเพื่อป้องกันหรือปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไปปล่อยปละละเลยสิ่งที่เป็นปัญหาให้ดําเนินสภาพของมันต่อไปหรือยิ่งขึ้นไปกรณีอย่างนี้เรียกว่าการได้คุณค่าข้อที่หนึ่งคือคุณค่าด้านการทําจิตหรือคุณค่าเพื่อความหลุดพ้นเป็นอิสระของจิตระดับต้นต น, นั้น เป็นปัจจัยให้เกิดความประมาทเพราะผู้นั้นปฏิบัติผิดคือปฏิบัติเพียงด้านเดียวไม่ครบถ้วนขาดการปฏิบัติเพื่อให้ได้คุณค่าข้อที่สองคือด้านการทากิจหรือคุณค่าเพื่อความไม่ประมาทไปเสียซึ่งจำเป็นจะต้องแก้ไขโดยให้ตระหนักในคุณค่าทั้งสองด้านแล้วปฏิบัติให้คุณค่าทั้งสองอย่างนั้นเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์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 อาการละเลยในการกระทำลนนักษณะนี้เรียกว่าความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นเป็นความไม่ยึดมั่นอย่างเทียมไม่ใช่ความไม่ยึดมั่นที่ถูกต้องแท้จริงสำหรับการไม่เอาเรื่องอะไรนั้นเป็นเรื่องดีแต่การไม่เอาเรื่องอะไรควรระวังให้มากการไม่เอาอะไร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 อย่างน้อยก็เป็นเครื่องแสดงถึงความขาดกุศลฉันทะที่เป็นบันไดขั้นต้นของคุณความดีทั้งหลายถ้านำเอาการกระทำและการไม่กระทาหลายๆแบบที่มีแรงจูงใจเบื้องหลังแตกต่างกันมาวางเทียบกันดูก็อาจจะทำให้มองเห็นลนักษณะของการกระทาและการไม่กระทาที่เกิดจากความไม่ประมาทชัดเจนมากขึ้น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 แบบที่สองคนพวกหนึ่งไม่ทำเพราะยึดมั่นในความไม่ยึดมัน่นคือจะแสดงว่าตนไม่มีกิเลสจึงไม่ทําแบบที่สมคนพวกหนึ่งไม่ทําเพราะมีความประมาทติดเพลินในความสุขสบายเนื่องจากไม่ถูกทุกข์บีบคั้นหรือเนื่องจากปรับใจได้แล้วสบายใจพอใจแล้ว ก็จึงวางใจนอนใจเสียแบบที่สี่คนพวกหนึ่งทําหรือไม่ทํแล้วต่ความสมควรแห่งเหตุผลเมื่อรู้ว่าควรทําแม้ว่าทําแล้วตนจะไม่ได้ผลประโยชน์ก็ทําเมื่อรู้ว่าไม่ควรทําแม้ว่าทําแล้วตนจะได้ผลประโยชน์ก็ไม่ทําและทําในทันทีที่ควรกระทา ไม่ละเลยไม่ผัดเพี้ยนรีรอการกระทำในข้อสี่เป็นลนักษณะของการกระทำด้วยความไม่ประมาทที่ถูกต้องแท้จริงซึ่งเป็นไปพร้อมด้วยสติและปัญญาที่บริสุทธิ์เป็นอิสระคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แนะนาให้ทำกิจด้วยความไม่ประมาทนั้น แบ่งตามประเภทของจิตได้สองอย่างคือ1เกี่ยวกับจิต ด, ด้านในได้แก่คําสอนที่แนะนำกระตุ้นเตือนให้เร่งพัฒนาจิตใจของตนอย่างที่เรียกว่าทำความเพียรทางจิตเพื่อบรรลุภูมิธรรมที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งก็คือการเข้าถึงคุณค่าด้านการทำจิตของไตรลักษณ์หรือความสามารถทำใจของตน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 คำสอนของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับคุณค่าด้านการทากิจแสดงเนื้อหาและรายละเอียดน้อยกว่าประจายอยู่ห่างๆและมักเป็นคําสอนสั้นๆทั้งนี้เพราะกิจกรรมของมนุษย์ย่อมแตกต่างกันไปหลากหลายตามกาลเทศะไม่ใช่เรื่องยืนตัวที่จะพูดไว้แน่นอนเป็นอย่างเดียวจึงแสดงแต่หลักการหรือให้คติไว้เท่านั้นก็เพียงพอ